พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้ามหาลิสูตรสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับเจ้าลิชวีชื่อมหาลิพระผู้มีประภาคประทับนาสาลาเรือนยอดป่ามหาวันกรุงภัยสาลีพวกรามที่เป็นทูตชาวโกศลและชาวมคตมากหลายมีธุระไปพักอยู่ในกรุงภัยสาลีได้ทราบข่าวจึงจะพากันไปเฝ้า เ้าฤิ์ชวีชื่อโอททัตซึ่งแปลว่าปากแหวง่งพร้อมด้วยบริษัทก็ไปเฝ้าด้วยสมัยนั้นพระนาคิตะเป็นพุทธอุปถากไม่ยอมให้เข้าเฝ้าอ้างว่าพระผู้มีพระภาคกําลังทรงหลีกเร้นคือทําความสงบอยู่สามเณรสีหะจึงเจรจากับพระนาคิตะให้บุคคลเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระนาคิตะ เกี่ยงให้สามนเณรสีหะไปกราบทูลเองเมื่อสามนเณรสีหะไปกราบทูลจึงตรัสสั่งให้ปูอสนะที่ร่มเงาด้านหลังวิหารเสด็จไปต้อนรับบุคคลเหล่านั้นเมื่อตรัสปรสาศัยกับบุคคลทุกเหล่าที่เข้าเฝ้าแล้วโอทัตทะลิชวีก็กราบทูลถามเรื่องตาทิพหูทิพว่ามีหรือไม่ตรัสตอบว่ามี แล้วส่งแสดงเหตุผลว่าสุดแต่กำลังสมาธิที่จเจริญให้มากเพื่อให้มีตาทิพหรือหูทิพและตรัสกับภิกษุทั้งหลายไม่ได้ประพฤติพรมจรรย์นในสำนักของพระองค์เพื่อจเจริญสมาธิที่เป็นเหตุให้ได้ตาทิพหูทิพเหล่านั้นเพราะยังมีธรรมะที่สูงกว่านั้นที่ควรทำให้แจ้งคือหนึ่งการทำสัญชา คือกิเลส ท, ที่ผูกมัดให้สิ้นไปสมประการอันทําให้เป็นพระโสดาบันสองทสัญญอดสามประการนั้นให้สิ้นทําราคะโทสะโมหะให้น้อยลงอันทําให้เป็นพระสกทาคามีสามทำสัญ์เบื้องต่ำห้าประการให้สิ้นอันทําให้เป็นพระอนาคามี 4. ทําอาสวะให้สิ้น ทำให้แจ้งความหลุดพ้นเพราะสมาธิหรือเจตวิมุตติและความหลุดพ้นเพราะปัญญาหรือปัญญาวิมุตติสำหรับในที่นี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สูงกว่าหูทิพตาทิพย์คือการทำกิเลสให้หมดเป็นขั้นขั้นได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่อย่างต่ำถึงสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์อันแสดงว่าริดเดช ไม่ใช่จุดประสงค์ทางพระพุทธศาสนาเมื่ออดทัตตลิลชวีกราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้แจ้งหรือบรรลุธรรมเหล่านั้นก็ตรัสแสดงมักมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นที่สุดครั้นแล้วตรัสเล่าเรื่องมัณดียะปริพาชค กับชาลิยาบริภาชกไปทูลถามพระองค์เรื่องชีวะกับสริระมีข้อความอย่างเดียวกับข้อความในชาลิยะสูตรซึ่งจะกล่าวต่อจากสูตรนี้เมื่อจบพระธรรมเทศนาโอทัตทลิฉวีก็ชื่นชมพาสิ์ของพระผู้มีพระภาคหมายเหตุโอทัตทลิฉวีมีชื่อเดิมว่ามหาลิ เวลาพระผู้มีพระภาคโตตอบด้วยก็ส่งใช้ชื่อมหาลิ